ธรรมะของต้องมีวุติภาวะพอสมควรถ้าวุติภาวะไม่พอเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องศรัทธาไม่ใช่เรื่องเชื่อเชื่อเอามันประณีตลึกซึ้งมากทุกอย่างเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่มัวมัวนึกนึกเอาเองไม่ได้เรื่องหรอกอย่างถ้าเราอยากคิดว่าเราเป็นพระอริยะอะไรเงี้ยต้องดูเลยทีแรกอันแรกสุดเลยนะ เราเดินอยู่ในร่องรอยที่พระอริยะเดินหรือเปล่าเราได้เจริญมิปัสสนากรรมฐานไหมก็ไม่ได้เจริญมิปัสสนาทาแต่สมถะมีเป็นพระอาริยะอะไรเป็นพลมไปเท่านั้นเองมันคล้ายๆพอเหมือนๆหลวงปู่ล่าสอนธรรมะนะมีอยู่ประโยคหลวงพ่อจับใจนะชอบมากเลยท่านบอกว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้ ฝากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนเหมืนันแค่แค่พอเหมือนๆเลยออยังหมายอยู่ยังรักษาอยู่ยังประคองอยู่ก็ของปลอมแหละไปไหนไปพรมโลกไม่ไปที่อื่นถ้าประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิไปอบายในบรรดา สิ่งเลวร้ายทั้งหลายพุทธเจ้าท่านบอกเลยอะไรก็ไม่ร้ายอย่างมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิร้ายที่สุดเลยรู้จักมิจฉาทิฏฐิไหมเยอะแยะเลยไม้ <c oughs> สัมมาทิฏฐิมินิดเดียวมิจฉาทิฏฐิเยอะแยะเลยรากเงาอยู่ที่ความไม่รู้แจ้งอริยสัจ ถ้าได้โสดาแล้วก็จะพ้นจากมิจฉาทิฏฐินะเป็นพระโสดาบันทมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจ ร, รู้ทุกอะไรคือทุกขันห้าคือทุกหน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือรู้ รู้สมุทยัยรู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หน้าที่ต่อสมุทัยคือละรู้นิโรธคือนิพพานหน้าที่ต่อ น, นิโรธคือทําให้แจ้งไม่ใช่ทาให้เกิดขึ้นนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่เกิ ด, ไ ม, กดไม่ดับนิพพานมีอยู่แล้วไม่เห็นเองถ้านิพพานยังมีเข้ามีออกก็นิพพานเกยังมีปลอมๆมหลวงพ่อก็เคยทําผิด กำหนดจิตไปเินว่างโลกธาตุดับไปทั้งนั้นเจ๊อยู่ตรงนี้นะอากาลิโกไม่มีเวลาไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยหลงปูบุญจันทร์ท่านจวกไม่ได้ถามเลยนะท่านเรียกไปจวกนิพพานอะไรมีเข้ามีออกอยังมีเข้ามีออกของปลอมอย่างบอกนิพพานเนะนี่ยนะก็กำหนดจิตยอยู่ข้างใน ว่างอยู่ข้างในอยู่ภายในนิรันดร์มีนอกมีในก็ของปลอมแล้วมีกำหนดเข้ามีกาหนดออกก็ของปลอมแล้วจะต้องภาวนานะสิ้นตัณหาก็จะเห็นนิพพานไม่ใช่วิธีอื่นจะสิ้นตัณหาได้ต้องรู้ทุก็กเห็นธาตุเห็นขันนี่แหละตกอยู่ใต้ใจรักแม้มันมีเหตุมีผลนะเพราะฉะั้นการที่เรารู้ทุกนี่แหละ เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญมรรคเป็นส่วนของการเจริญปัญญาพื้นฐานก่อนจะถึงขั้นเจริญปัญญาศีลดีไหมมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นไหมถ้ามีพื้นฐานนะแล้วมาเจริญปัญญ า, เ ร, าเรียกเจริญมรรคอยู่แต่ตรงนี้เรียกไม่ใช่ตัวอริยมรรคตรงที่เราเจริญอยู่เนียไม่ใช่ตัวอริยมรรคเรียกบุพาพาคมรเป็นเบื้องต้นแห่งมรรค ตรงที่เราขนาจิตที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเลยขนานั้นแหละเกิดอริยมรรคขณะที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งขณาใดขนานั้นแหละละสมูทัยในขณะนั้นขณะใดที่ละสมูทัยขนานั้นจะแจ้งนิโรธจะแจ้งพระนิพพานในขณะนั้นจิตขออริยสัจสี่นะเสร็จในขณะจิตเดียวนั่นแหะไม่ต้องรู้ต่อไปลึกซึ้งต่อไปอีกนะรู้รูปนามในอดีต รู้รูปนามในอนาคตรูปรูปนามที่เป็นอดีตและอนาคตรู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ใช่ของจริงหรอกรูปนามในอดีตรู้ยังไงระลึกชาติหรือไม่ใช่รูปนามในอดีตก็จะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากอาดีตนะอนาคตเป็นผลของปัจจุบันสืบเนื่องกันไป บางคนนะไม่รู้ว่จะเป็นมิจฉาทิฏฐินานาชนิดเลยบางพวกก็คิดว่าอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเลยไม่มีเห็นบางพวกก็คิดว่าตายแล้วก็สูญไปเลยไม่มีอีกแล้วนี่พวกไม่รู้รูปนามอนาคตในมิจฉาทิฏฐิมันจะแทรกอยู่เยอะแยะไปหมดเลยตั้งหลายชนิดเลเต็มไปหมดเลยคิดว่ามีนิรันดรเราไม่เห็นความเกิดดับ ไม่เห็นว่าจิตเกิดดับไปคิดว่าจิตเที่ยงนิรันดรถ้ามีความนิรันดร อ, อยู่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัตสตาทิฏฐิหรือคิดว่าขาดศูนย์นิพพานแล้วก็ขาดศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุดเฉททิฏฐิมั้ ม, มิจฉาทิฏฐิเยอะนะพวกไม่มีการกระทําไม่มีเหตุเนื้ออาเหตุเหตุตกะทิฏฐิพวกหนึ่งถือว่าทำอะไรนี่ไม่มีผล ไม่มีการกระทําอกคริยทิฏฐิโอ้มิชาทิฏฐิเยอะนะมากมายเหลือเกินสามาทิฏฐิมีอันเดียวมิชาทิฏฐิเยอะแยะเลยในมิชาทิฏฐิในปรมาชลสูตรเนี่ยท่านพูดถึงทิฏฐิหกสบสองอย่างทิฏฐิหกสองนี่เป็นทิฏฐิที่เกี่ยวกับฌานซะเยอะเลยพวกที่เล่นฌานเนี่ยเป็นมิชาทิฏฐิซะเยอะเลยพวกแต่งจิตนถ้าเราอยากได้เรา คิดว่าเราได้ทามาก็ต้องดูก่อนว่าเราได้เดินอยู่ในทางจเจริญวิปั ส, สนาไหมแต่ไม่ได้จเจริญวิปั ส, สนาเนปะ็นทำจิตว่างๆนิ่งๆประคองอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าได้มันจะได้อย่างอื่นอชอบคิดเป็นพระอาหารหันต์บางพระสกทาคาพระอนาคาคาสารพัดจะเป็นไม่เป็นอยู่อันเดียวคือมไม่เป็นจริง สู้กิเลสไม่ไหวถูกมันหลอกเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ขาดในขนา น, นี้นะสมัยพุทธกาลเนี่ยมีปัญหาเนึองๆเลยว่าพระองค์หนึ่งท่านบอกท่านไม่มีกิจที่ต okay. ้องทําแล้วเนี่เพื่อนจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะปพยาก่อนให้องค์นี้ได้องค์นี้ไม่ได้องค์นี้ไม่ได้เพราะหลอกองค์นี้ไม่ได้เพราะสาคัญผิดไม่ได้เพราะสาคัญผิดไม่อัมบัตนะ ไม่ได้อาบัติอะไรถ้าสําคัญถูกรู้ว่าไม่ได้แล้วบอกว่าได้อี้อ่ะบัติมายุคเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ดํำรงพระชนอยู่แต่พระธรรมวินัยเป็นศาสด า, า, าแทนพระพุทธเจ้าเราต้องดูตรวจสอบด้วยคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเราเดินอยู่ในทางที่แท้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เดินในทางแล้วบอกว่ามีผลก็ไม่ใช่ ดูง่ายๆเลยหรือท่านพูดเรื่องการลากิเลสภูมิธรรมระดับนี้ล่ากิเลสตัวนี้ได้ภูมิธรรมระดับนี้ล่ากิเลสตัวนี้ได้ก็ดูกิเลสเอาแต่การดูกิเลสเนี่ยจะต้องไม่ให้จิตไปติดล็อกในที่ใดที่หนึ่งอยู่ติดในความสว่างความว่างแนละ้วบอกไม่มีกิเลสมมองไม่เห็นอะ่ะมองไม่เห็นต้องเป็นจิตของคนธรรมดาเลยนะจิตของเราปกติอย่างนี้เลยกิเลสถึงจะโผล่ขึ้นมาให้ดูชัดๆเลย เพราะฉะนถ้าเราไปทรงอะไรนิ่งอยู่นะแล้วบอกไม่มีกิเลสเชื่อไม่ได้นะบางทีครูบาอาจารย์ท่านแย่ให้หลุดออกมาจากตรงที่นิ่งๆบางองค์ท่านใช้วิธีด่าวนะดา่าเช้าคุณอุบาลีวัดบ ร, รมนิวาสอ่านหนังสือประวัติท่านอะไรเงี้ยมีพวกผู้หญิงประเภทคุณหญิงคุณนายไปบอกท่านว่าดิฉันไม่มีความโกรธแล้ว ท่านสวนอะไรแบบอีต่อแหล <c oughs> โกรธเลยนะโมโหเลยพระนี่พูดไม่เพลาะไม่นับถือแล้วโมโหป้งป้งป้ ง, ป ง, ปงนัเดินกระทือบพื้นศาลาท่านศาลาไม้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ยังอยู่นะศาลาไม้ก <c oughs> ทือป้งปงป้อ ง, ปอ ง, ปองออกไปถึงหน้าวัดนึกขึ้นได้ว่าโกรธนะกลับมาขอเข้ามารู้แล้วว่าไม่ใช่หรอกพระก็มีนะ อยู่ถึงพนมรุ้งนะเราคิดว่าบรรลุพ ร, าารนะละหันนั้นเดินจากพนมรุ้งมาไปวัดบูรพารามไปหาหลวงปู่ดุลคงเดินมาตั้งแต่เช้าเลยนะมาถึงเอาดึกเลยไปเคาะประตูเรียกพระต่างๆในวัดนะให้มาฟังธรรมมากของพระละหันพระหรหันจะเทศให้ฟังห <c oughs> ลวงปู่ดุลก็พยายามแก้นะหลายวันแก้ไม่ตกนะท้ายท่านก็ใช้มาตรการเด็ดขาดท่านด่าเลยสันนรกสันนรกไปพน้น โมผ้าลหันโกรธมากเลยเว่าเป็นสนันนรบอหลว ง, ล ง, ลงตะดูลไม่ใช่แม่กูมาด่ากูใช่ก็ความไม่กวาดนะ่ะขึ้นสะายนึกว่าเป็นโกรธโมโหมากนะความไม่วไ ก, กวาดพลาดะไรออกจากวัดบูรไปเดินไปสามกิโลถึงนึกได้โอ้ไม่ใช่แล้วแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้จิตเคลื่อนถ้าจิตลักอยู่นิ่งๆดูไม่ออกหรอกมันนึกว่าดี เราต้องให้มันเคลื่อนดูเราเคลื่อนแล้วตัวจริงมันถึงจะโผล่เนี่ยนะเราต้องประดีต น, นะต้องค่อยๆสังเกตรู้จักสังเกตตัวเองไม่เชื่อง่ายถ้งมงายเชื่อง่ายนะจิตจะล็อกอยู่ตรงนั้นอนะ่ะก็จะไม่มีราคาโทสะอยู่นั้นตลอดชาติเลยชา ต, ติต่อไปก็ไปอารวาดหนักหน่อยขึ้นไปพร ม, มโลกพรมจำนวนมากนะตายแล้วก็ไปอบาย ผลกรรมดีของฌานมันให้ผลก่อนการทําฌานได้เป็นอนั น, น, นตรยกรรมฝ่ายดีบางคนก็คิดหนักนะทําชั่วไปก่อนแล้วตอนจะตายจะเข้าฌานคิดมักง่ายมีนะไม่ใช่ไม่มนะีพระด้วยซ้ําไปนะนี่คิดอย่างนั้นไดนะ้มันจะไปไม่รอดหรอกนะเพราะจิตมันจะไปตามความเคยชินจินจะมีกิเลสแรงโทสะแรงอะไรอย่งนี้นะ คิดจะเข้าฌานหนีไม่มีทางนะต้องดูนะดูใจของเราที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วดูว่ามีกิเลสไหมต้องดูตัวนี้เลยอย่าให้ใจปิดธรรมดาแล้วไปนั่งดูแล้วบอกไม่มีนะเอาให้คนอยู่วัดส่งกันบ้านเอาว่ามาช่วงนี้ก็เวลาที่นั่งดูนั่งภาวนาพุทโธแล้วก็ ดูความคิดก็ดูจะมีสมาธิที่จะดูได้นานขึ้นเจ้าค่ะทีนี้โยมควรจะต้องสังเกตยังไงดูไปด้วยดูไปอย่าไปคาดหวังอะไรนะค่ะคิดว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุธทธเจ้าทํามันทั้งชีวิตเลยทีนี้ขันโยมยังไม่แยกเลยเจ้าค่ะฮ<ะ>ต้องดูยังไงถึงจะสังเกตเห็นโยมรู้สึกไหมว่าสุขทุกข์กับจิตใจเนครุรเลอันนี้เคยเห็นไหมก็ ไม่แน่ใจแล้วความโกรธเงี้ยความโกรธหรือความสงสัยเกิดขึ้นความโกรธกับจิตเป็นคนละอนเกเห็นไหมเจ้าค่ะนะร่างกายที่นั่งหายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้เคยรู้สึกไหมเนี่ยนนตัวนี้พยักนะาดุกกายไว้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเจ้าค่ ะ, คะทีนี้ถ้าโยมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมก็จะเห็นใจรักเองใช่ไหมใช่ชเอาว่ามา วนนี้มันมัวอยู่อะค่ะมันกดเออวิกดมันสิเนาะหรือว่ากดก็ใช้ได้ละหลวงพ่อหาหลวงพ่อบอกว่าให้ดูปัจจุบันอะคะ่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่หนูเดินจงกองมาค่ะหนูก็จะมีตัวผู้รู้ที่เห็นว่าออจิตเพละจิตเพ่งหรือว่าไหลไปความคิดไหลไปทีนี้เนี่ยพอมันมันไหลไปหรือว่ามันหลงไปเนี่ยมันจะกลับมาที่ลมหายใจคือหนูสงสัยว่าตรงนี้หนูไปแทรกแซง ถ้าถ้าตอนที่กลับมาที่ลมนะเราจิตแน่นๆอ่ะอย่างนี้ถึงจะแทรกแสงถ้าเขากลับมาสบายๆมารู้สึกสบายๆอันนี้ปกติแสดงว่ามันเป็นฐานของจิตเหรอใช่แล้วเราใช้ลมเป็นฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติเมืสติก็กลับมาระลึกรู้ลมหายใจก็ถูกแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องละค่ะคือเวลาที่เราเราเกิดปัญญาค่ะ เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่เป็นสุดตาไ ม, ม่ ย, ย่ปัญญาหรือว่าภาวนาไ ม, มายยายา่ย่ปัญญาเพราะว่าอย่าวิคิดเอาสิดูเอาแล้วจิตมันปิ้งขึ้นมาเองมันมันมันมันมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าคะไม่ใกล้เคียงอะแล้วใกล้ก็ใกล้แบบฟ้ากรเหว<笑><笑>ไม่เท่ากันหรอกไม่เหมือนกันหรอก <ฮา S 1> อย่าคิดเอาคิดหน้าเป็นอุบายเบื้องต้นหรอกบางคนทําสมาธิจิตนิ่งจิตว่างนะไม่ยอมเดินปัญญา ครูบาอาจารย์ก็บอกให้ไปคิดพิจารณาร่างกาย อ, อย่างเงี้ยการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนไหวอะแต่ถ้าจิตเราไม่ได้ติดนิ่งติดว่างนะไม่ต้องไปคิดหรองดูของจริงดูมันทํางานไปเรืร่อยค่ะคำถามสุดท้ายอะค่ะคือพอพอดูจิต บ, บ่อยๆเข้าเนี่ยมันเห็นมานะอาาัตราตัวตนเยอะมากไม่ว่าจะทํากุศ ล, ลกรรมหรือว่ากุศ ล, ลกรรมคือมันจะมีตัวกูเยอะอะค่ะ น, นั่นแหละมันอยู่ เ, ยเบื้องหลังพฤติกรรมทั้งหมดเลยทีนี้ ที่หลวงพ่อเ ค, เ, คเคยบอกว่าพานนบอกว่ามีมานะเพื่อลดมานะใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยคืออาจจะถามไกลไปหน่อยค่ะว่ามันคงลดมานะไม่ได้แต่ว่าการที่ดูจิตบ่อยๆเนี่ย ม, มันลด ม, นลมันลดของมันเองแหละกิเลสอะไรมันก็ลดหมดแล้นะมันลดไปลําดับไปเป็ลำดับใช่ไหมคะมีมานะแล้วลดมานะได้นะอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ดูสะอาด ห, หมดจดผ่องใสเราดูสกปรกมอมแมมเนี่ยมีเทียบอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บนะ เป็นมานะาอ่ะอะพรนะโสดากราไม่ได้นะพระนาคายัางล่าไม่ได้เลยตเนี้ยแต่มันแทนที่จะมานะกูเหนือกว่าเขานะยิ่งพาวนาไปยิ่งรู้สึกมานักกูนี่ไม่ค่อยจะดีเลยจิเลียดเยอะจนะยค่อยกลับค้างแล้วแบบว่าชอบเพ่งโทษคนอื่นด้วยอ ะ, ะเอดให้รู้ทันไว้นะถ้ารู้ทันได้จะดีมากเลยเเาาแล้วไปวจิตจิตมันจะเปลี่ยนเป็นเมตตานะ พวกโทสะแรงๆเนี่ยสุดท้ายมจะเวลาเข้าใจแค่มันจะพลิกเป็นเมตตาเมตตาจะแรงไปซ้ําไปโทสะแรงมันจะปัญญากล้านะแต่ถ้าภาวนานะโทสะแรงจะปัญญากล้าถ้าไม่มาไม่ไม่ภาวนาเนี่โทสะแรงจะปากกล้าพอพักเยอะๆแล้วมันมีแรงอะค่ะหลวงพออ่อแล้วมันก็เห็นแบบมันยิบยับยิบยับยุ่งอย<บ>นั่นแบบ น, น, น, นต้องอย่างนั้น เหมือนกับว่ามันไม่ได้อยู่ข้างในอะค่ะมันอยู่มันใกล้ๆไม่มีข้างในข้างนอกหรอกน ะ, ะมีตรงไหนก็รู้ตรงนั้นนะ่ะแต่ใจไม่ได้โลงไปคลุกกับมันเห็นยิบย่บยิบยนะ่นี่ยแต่ไปเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไม่มีอย่างอื่นมีแต่ทุกข์นะคือขันมันทำงานขันมันปรุงอยู่ก็มีแต่ทุกขนะ์แะดีต้องเป็นกลางนะแล้วถ้าต้องดูไปด้วยเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยทาความสงบ หายใจไปพูดโถไปอะไรไปโดยมากเวลายอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะพอมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักพอมันหมดแรงมันมันก็จะไม่รอดอยู่ตรงเนี้ยค่ะห <c oughs> ลวงพอ่อ <c oughs> ไม่รอดเป็นไงเหมือนกับมันก็ป้อปแป้หมดแรงไปเลย <c oughs> เออนาะหมดแรงก็หยุดเลยหยุดดูนะทําสมถะส ก, การค่ะพอดีวันแรกที่ถามหลวงพ่อว่าจะเอาการบ้านยังไงหลวงพ่อบอกว่าอยญ่ายากดีมันเหมือนมันเป็นคิวเะนะคะเพราะว่า มันช่วยเปรกทุกอย่างว่าเราตั้งใจมากเลยงี้ค่ะแล้วก็เท่าที่สังเกตดูเนี่ยวันอังคารวันพุธเนี่ยกำลังจะดีเพราะว่ามันเหมือนมันมีแรงเยอะขึ้นนะคะแล้วพอตั้งใจว่าจะปฏิบัติบูชาคุณพารตนากรีมันช่วยมีกำลังทำหลายอย่างที่ทำไม่ได้เยอะขึ้นแต่พอวันนี้พอใกล้จะกลับมันก็กังวลพวกมาห้าวันนะวันจันทร์ฟุ้งซ่านอังคารฟุ้งซ่าน มันพุธเนี่ยดีมันเพฤหัสจะดีอยู่ครึ่งวันนะเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละเตรียมวางแผนแล้วว่าพรุ่งนี้จะออกจากวัดจะไปทำอะไรมันเหมือนกับว่าเอ้ยจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบงานรออยู่อะไระับมีสองพวกนะพวกหนึ่งคิดถึงงานที่จะไปทํำนะพวกหนึ่งอ่ะอไม่อยากกลับเลยอยากอยู่วัดตลอดอย่างเงี้ยนะให้อยู่ตลอดก็ร้องไห้อีกเลย ก็เลยรู้ว่าจริงๆคือมันเป็นที่ใจปรุงบางสิ่งขึ้นมาที่ทำให้มิทไม่ได้ <Yeah. S 2> ก็จะกลับไปโยนิโส ต, ตัวเองดีไปดูต hmm. ่อตอนแรกก็ฟุ้งซ่านมากเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ไปนึกถึงคำที่ครูบาอาจารย์สอนมาเยอะแยะเลยแล้วก็ไล่ทำตามแต่ละอันเลย เละเทสุด<ล>ท้ายเลยแน่นอนสุดท้ายก็เลยเดินแบบเดินเล่นๆแล้วมันใจมันก็กลับมาที่เดิมคือมันมีความสุขเหมือนเดิมครับ<อ>มีปิติมีอะไรเงี้ยผมก็เลยดูวกกลับมาดูไอความสุขเนี่ยแต่เผอิญว่าดูมากไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นเพ่งไปอคราวนี้ผมก็เลยก็ดูแบบสบายๆไปแล้วกันโทสามแซดแล้วไงอีก ก็ดูบางทีมันก็แรงบางทีมันก็หายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือส่วนใหญ่มันคือถ้าตั้งใจทํามันจะมาเป็นแบบมันจะเห็นความสุขเยอะอะครับอ ม, มันก็เลยดูดูไปครัอยู่กับปัจจุบันนะ ม, มีใจฝึกใจให้เป็นผู้รู้ผู้ดูใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูยังไม่แข็งแรงทํายังไงมันม จ, จะนยังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่ ครับ <eld S 2> มั น, นไม่ เ, เป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าใจไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะไม่เห็นขันแยกหรอกครับวิธีฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจะเดินจงกรมหรือทำอะไรก็ทำไปแต่ไม่ได้ทำเอาดีครับเดินจ <inar> งกรมไปแล้วรู้ทันจิตหรือนั่ง <ตะ S 1> สมาธิอยู่แล้วก็รู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้จิตรู้สบายสบายครับ <นะ S 1> ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตไปอย่างสบายสบาย ใช่หลักนี้นะสมาธิถึงจะเกิดขึ้นเราเอที่มันเป็นความสุขแบบนี้มันคือสบายๆเกินไปปะครับหรือไม่เป็นความสุขจากสมาธิอันนี้แหะครับ ม, มีปีติมีความสุขขึ้นมานี่มันยังเป็นของที่มันสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนเรวต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิมีสองอันนะอันนึงรเรียกอารมณูปนิชาน สงบอยู่ในอรมมันเดียวใช่เราเดินจงกรมแล้วก็เพ่งแต่การเดินจงกมรม่างหนึ่งเรียกลักขณูปณิชฌานจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่เราต้องฝึกสมาธิตัวหลังนี้ให้ชํานาญนะก็คือให้มันเห็นวับไปวับมาบ่อยๆอย่างใช่แต่พอเห็นปุ๊บมันก็เหมือนไม่ตั้งมั่นหรือมันไม่มันไม่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรหรือไม่ก็พามันเห็นไปเลย นั่งอยู่นะแล้วก็ส่งจิตไปดูผมรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ผมย้ายไปอยู่ที่ตรงโน้นตรงนี้ในร่างกายนะไล่ขึ้นไล่ลงซอ้อมอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้แรงนะแล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเราก็เห็นเองอะ่ะถ้าจิตมันเคลื่อนแล้วเราเห็นนะเราจะได้สมาธิช น, นิดตั้งมั่นเะชนิดสมาธิที่ไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับครั บ, รบจะรอดไหมครับ <laughs> <laughs> ไม่ตอบ <laughs> เห็นไหมตอบบางคําถามเท่านั้นถ้าตอบว่ารอดนะก็จะประมาทถ้าตอบว่าไม่รอดก็ท้อใจแล้วเลิกปฏิบัติอย่างนี้ตอนนี้ก็คือไล่ตามดูชิ้นส่วนของร่างกายไปก่อนไม่ใช่ดูชิ้นส่วนของร่างกายครับรู้ว่าจิตไปอยู่ที่ผม ร, รู้ว่าจิตไปอยู่ที่หูข้างซ้ายรู้ว่าไปอยู่ที่หัวไม่มืออะไรเงี้ยรู้ความเคลื่อนไหวของจิตแต่เราจงใจเคลื่อนไป เราสรงใจไปนึกถึงผมเงี้ยจิตมันจะไปจับอยู่ที่ผมเราก็รู้ทันจิตไปอยู่ที่หัวไม่เท้าเราก็รู้ทันใกล้อยู่ในร่างกายให้ชํานาญจนกระท่งพอจิตมันเคลื่อนปับ๊บเราจะเห็นเองนะตรงที่มันเห็นเองมันเคลื่อนเองมันเห็นเองเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นครับพอจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็แยกขันถ้าเคยสร้างบารมีมาเจริญปัญญามาขันจะแยกเอง ถ้ายังไม่เคยแยกขันมาแต่ชาติก่อนก็ต้องมาฝึกแยกขันครับขอบคุณนะครับมาแยกขันได้แล้วนะแล้วแยกแล้วก็อยู่ค้างอยู่เฉยเหลือจิตอันเดียวไอ้ น, นี่ก็ไม่เดินปัญญาอีกแล้วไหมกลับดักมันเต็มทุกเส้นทางเลยนะม <c oughs> <c oughs> ต้องเห็นไตรลักงั้นลงท้ายมันต้องเห็นใจรักษของรูปนามนั่นแหละกรรมนิมัสการครับอคํ <c oughs> ถาถามแรกก็คือว่าคือผม มีความสับสนระหว่างที่เราคิดเองกับเรารู้ละละคิดละละก็มีผมก็อย่างเช่นแบบบางครั้งเนี่ยอย่างสมมติผมเคืองใครสักคนในทีมงานอะไรยเงี้ยผมก็บางทีจะรู้ตัวแล้วก็เราก็มันก็จะหายไปเองกับอีกบางครั้งมันก็จะคิดเองว่าจะไปเคืองเข้าทําไมคือผมก็เลยสับสนระหว่าง เ, เราจะสังเกตยังไงว่าตรงตรงที่เรามีสติรู้ทันแล้วมันดับไปเนี้ยนะอันเนี้ยดีเราเดินปัญญาอยู่แต่ตรงที่เราคิดไปเนี่ยมันเป็นสมถะ การที่เราคิดนํานะว่าอย่าไปโกรธเขาเลยไปโกรธเขาทาไมอะไรเงี้ยชีวิตนี้ไม่แน่นอนควรจะเมตตาต่อกันถ้ายังมีการคิดเจือปนนะไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะดับได้เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นสภาวะเนี่ยบางทีเราดับมันนะกิเลสเนี่ยดับด้วยสมถาก็ได้ใช่ไหมดับด้วยสติไปรู้ทันมันก็ได้ดับด้วยปัญญาก็ได้ดับด้วยมรรคก็ได้ไม่ใช่มีแค่สองนะมีตั้งเยอะในตัวที่จะให้ดับมันได้ ให้ฝึกไปแล้วสิ่งอันไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการดับครับดับด้วยมั๊ดดีที่สุดแต่ตอนนี้ยังไม่มี <c oughs> แล้วก็จเจริญปัญญาไปนะมีสติรู้ทันไป <c oughs> เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปอย่างเนี้ยเ <c oughs> นี่เรารู้ด้วยสตินะพอ <c oughs> รู้มากเข้ามากเข้าจิตจะเป็นกลางเพราะมันเห็นว่าความสุขมาแล้วความสุขก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปกุศลอกุศลมาแล้วก็ไปทุกอย่างเสมอกัน จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยมันจะมาสู่คำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนละอันนี้นคราวนี้ถ้ากำลังพอนะอริยามรรคจะเกิดงั้นตอนนี้ก็ดูไปให้เห็นสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ใช่ไปไล่มันนะไม่ใช่ความดีมาก็จะรักษาความชั่วมาก็จะไล่ความสุขมาก็อยากรักษาความสุขไม่มาก็ค้นหาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ ความทุกมาก็จะไปไล่มันความทุกยังไม่มาเขาหาทางป้องกันไม่ใช่นะให้รู้อย่างที่มันเป็นจริงจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้นะความสุขหายไปความทุกข์หายไปก็รู้รู้ไปเรื่อยหรือกิเลสมาก็รู้กิเลสไปก็รู้เดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาก็แค่รู้เท่านั้นเองรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งปัญญามันพอมันเห็นทุกอย่างเท่ากัน เข้าเจียมกันเพราะว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูบ่อยๆแอ้พอดีได้โอกาสมามาอยู่ที่วัดก็เลยจะขอโอกาสหลวงพ่อช่วยแนะนำเราต้องอรเราคิดอย่างนี้เราไม่ได้เอาดี <c oughs> ถ้าเราคิดเราจะปฏิบัตินะว่ามีเวลาจำกัดจะลุยแหลกแหลกแน่นอนคิดว่าเราจะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้านะทำบูชาพระไปนะจะเจริญสติมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อย พร้พุทเจ้าชมนะมีสติอยู่กับปัจจุบันแม่ลาตรีเดียวก็พึงชมเนะว่าอย่างนี้นะงั้นเรามีสติอยู่กับปัจจุบันไปได้อยู่ตั้งสามลาตรีเนะี่ยพระพุทธเจ้าต้องชมหลายหนเลย <c oughs> ทาไม่ได้ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> อย่าหวังว่าจะดีนะแต่พวกที่มาสามวันกับพวกที่มาห้าวันเนี่ยจิตจะไม่เหมือนกันนะพวกมาห้าวันเนี่ยถือว่าเวลายาวสองวันแรกเอาไว้ฟุ้งซ่น้น พวกที่มาจากัดเนี่ยไม่ค่อยจะฟุ้งละวันแรกๆก็อย่าเริ่มภาวนาแล้วเดี๋ยวค่อยไปซุปฟุ้งสั้นบ่ายวันเสาร์นมาส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อ ข, อขอคำแนะนำค่ะจะแน่อะไรจิตถึงฐานไหมไม่ถึงค่ะเออไม่ถึงก็ดีแล้วที่รู้นะดีไม่ ต, ต้องไปทำอะไรมันหรอกพษสับจลิตอะคะ่ะรู้สึกว่ากิเลสก็ยังแรงไม่ได้ฝึกเพื่อไปละนะกิเลสเนี่ยมันอยู่ในสังขารขัน อยู่ในกองทุกข์หน้าที่คือรู้ไม่ใช่ละนะไปดูมันไปด้วยดูด้วยใจเป็นกลางแต่เราอย่าจ้องไว้ก่อนถ้าเราไปรอดูนจะไม่มีอะไรเกิดดับให้ดูแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหนูสังเกตนิสัยหนูมานจะเหมือนเป็นกลุ่มที่แบบว่ายากสอนยากเลยอืม ไ, ไม่เป็นไรอะเดี๋ยววัตตาก็จะสอนให้เดี๋ยวความทุกข์ก็จะสอนให้เองเหมือนใจมันจะไม่ค่อยบางทีครูบาอาจารย์สอน ใจไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ฟังรู้สึกว่ามันดื้อเกินไปออต้องฟังนะแต่ใจจะเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญแต่ฟังไว้ก่อนแล้วไปลงมือทำเอาถ้าอยู่ๆครูบาอาจารย์พูดอะไรก็เชื่อนะั่นเข้าขั้นโง่าอามาตะ <c oughs> ใช้ไม่ได้เลยนะนักปรสาการครับหลวงพ่ อ, อก็มัวมัวครับแล้วก็เห็นความมัวมแล้วก็กลับมาดูช่วงนี้ผมก็ดู ด, ดูกายดู กลับมาดูกายบ่อยๆอระหว่างวันก็ดูจิตไม่ได้เลยทํางานออืก็ใชพ้พอกายมือขยับหรือว่ า, ายขยับต้องอย่างนั้นแหละดูได้แค่นั้นนะครแค่นั้นก็พอแล้วครับหลวงพ่อตอนทํางานนะช่วงไหนทํางานหนักมากชิดมากอะไรเงี้ยดูจิตไม่ได้ดูกายต้องดูกายไว้ก่อนครับแล้วก็ที่จะถามหลวงพ่อเมื่อเช้าหลวงพ่อก็กอา่า อธิบายไปแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างเรื่องของขันห้าที่หลวงพ่อเทศนะฮะในเรื่องของรูปเนี่ยในส่วนของรูปเนี่ยผมผมเห็นแล้วก็ผมเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารเนี่ยก็ตัวความปรุงแต่งเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ผมสงสัยวันนี้อยากจะถามหลวงพ่อคือเรื่องของตัววิญญาณวิญญาณกับจิตเนี่ย ม, มันวิญญาณกับจิตท่านเดียวกันแหละนะแต่ทำไมท่านเรียกว่าขัน แสดงว่ามันมีหลายตัวถึงเป็นกองได้นะวิญญาณหรือจิตเนี่ยมันเกิดดับทีละดวงมีครั้งละหนึ่งแต่มีจํานวนไม่ไม่ท้วนนะนับจำนวนไม่ท่วนเกิดดับต่อไปเรื่อยๆบางทีมก็เกิดที่ตาเรียกจักขูวิญญาณจิตที่เกิดที่หูเรียกโสตะวิญญาณจิตวิญญาณว่าเป็นความรับรู้อารมณ์นั่นเองความอย่างรู้อารมณ์ก็คือตัวจิตนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับ ลองดูพระพุทธรูปแล้วเห็นไหมว่าจิต ท, ที่ตาก็ดับเห็นชัดอยู่แวบเดียวดูออกไหมแล้วก็เบลอไปเลยเห็ น, นหจากครูวิญญาณจิตมันเกิดไม่เที่ยงนะต้องปรับทุกาตาดูใหม่ถึงจะเห็นอีกเมจกดดับกิดดับเกิดดับที่ตาดูง่ายหน่อยเกิดดับที่ใจแล้วก็ดูร่วมกับเจตสิกหลวงพ่อมีข้อแนะนาสาหรับ กรรมฐานของผมยังไงต่อมั้งไม่ต้องอดทนนะไปภาวนาครั บ, ระนะรบทนทนเอาไม่ใช่ยากลำบากนักหนาอะไรเนแต่ว่าทำให้มันต่อเนื่องดูไปด้วยหลวงพ่อทำตั้งแต่เป็นโยมนั่หลวงพ่อไม่คิดว่ามันยากเกินสำหรับคารวะกลับมนวัาสง์หลวงพ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ ที่ผ่านมานี่ก็ปฏิบัติ บ, บ้างแต่ไม่ต่อเนื่องอะค่ะแล้วทีนี้มีความตั้งใจว่าจะทําอย่างต่อเนื่องอืมตั้งใจดีค่ะถูกต้องเวลาปฏิบัตินี่ส่วนมากจะเจอเวทนาแล้วเดี๋ยวนี้พอพอสบายขึ้นก็จะง่วงอืมง่วงเหรอง่วงก็ต้องเคลื่อนไหวะจะดุกดิกไปเดินไม่ได้ก็ขยับมือไปหาพัดมาสังอันก็ได้นะนั่งพัดไป พัดแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดนะูพัดไปแล้วแหมสบายใจลมเย็นๆมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพอมีความสุขพัดไปมันพอใจในความสุขรู้ว่าพอใจนะแค่ขยับพัดเนี่ยนะเห็นได้ทั้งรูปนะที่กําลังเคลื่อนไหวอยูนะ่เห็นได้ทั้งเวทนาคือความสุขเห็นได้ทั้งสังขารคือราคะความพอใจในความสุขนะค่อยๆฝึกนะมันจะเห็นขันห้าได้ เคลื่อนไหวไปแล้วก็คอยรู้สึกไปถ้าขี้ง่วงนะขี้ง่วงต้องเคลื่อนไหวมันมันมันมันมันเบี่ยงมาข้างที่มันมีกิเลสเยอะอะค่ะหลวงพ่อมันเบี่ยงเองหรือมันเบี่ยงเองหรือหรือเราไปเบี่ยงมันมันมีมันมีกิเลสเองหรือเปล่า มันกิเลสมันตองไม่ถูกค่ะเนอบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกมันหนูเห็นไหมว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้ใช่ค่ะนะนั่หนูต้องไปดูอน้ตตาไว้นะมันสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังไม่ยอมรับมันมันมันเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะหลวงพ่อเราห้ามมันไม่ได้มันมีเหตุมันเกิดมันไม่ใช่เพราะเราสั่ง ถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งให้มันเกิดแต่ดีๆนี่ทําไมมันเกิดไร้ายๆมันเหมือนกับว่าย่อมไปตรงไหนอ่ะมันสกปลกหมดเลยอ่ะถูกเราเห็นของจริงอ่ะเพราะจริงๆมันยังสกปรกอยู่แต่ต้องเป็นกลางกับมันนะดูมันเรื่อยๆอย่าไปท้อใจล่ะดูไปเรื่อยๆก็ือก็คืออย่าไปดูไปสิมันเป็นเองดูอย่างนี้เรื่อยๆค่ะนะ ดูในมุมของอนัตตาไปเรื่อยๆครับกาบนมัสการครับหลวงพ่อคือผมฟุ้งซ่านครับทีนี่มาฝึกหายใจอืทีนี้มันไม่ฟุ้งซ่านมันมันไม่รู้ว่ามันติดลมไปมากก็เผาไม่เป็นไรติดลมก็ดีกว่าฟุ้งซ่าน <c oughs> หายใจไปแล้วมันมีความสุขไหมครับก็มีความสุขความทุกข์ก็โดนอยู่นั่นแหละดูเวทนาไปเรื่อยนะ หายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้หายใจไปแล้วมีความทุกข์ก็รู้หายใจแล้วใจเฉยๆก็รู้ดูอย่างนี้เรื่อยๆหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆครับแล้วแล้วที่มันเป็นลมอออขัวอะไรนะมันมันเหมือนมีลมอออขัวไม่เห็นแปลงเลยมันออกได้ทุกขุมคนคือมันมันเย็นครับหลวงพ่อเออเย็นก็รู้ว่าเย็นนะล้วก็รู้ทันจิตเช่นจิตสงสัยว่าเป็นอะไรนะรู้ว่าสงสัยครับจิตชอบรู้ว่าจิตชอบ ทีนี้คืนหน้าร้อนก็พอทนได้ทีนี้มันหน้าหนาวอย่างเงี้ยอ ม, มันเย็นไม่รู้มีวิธีปรับให้มันอุ่นได้ไหมหายใจโคจรลมพลานเข้าเดี๋ยวมันก็อุน่นครับผมมีพระองค์หนึ่งนะไปอยู่ในถ้ำบอกหนาวจัดเลยไม่ได้เตรียมตัวไปเลยนะหนาวสุดขีดเลยบอกว่าแทบขาดใจแล้วไม่รู้จะทําไงก็นึกถึงหลวงพ่อเนาะ นึกถึงหลางพ่อมก็ค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้นขึ้นจิตมันมีสมาธิขึ้นมานี่พอถ้ามันเย็นเรายิ่งตกใจเลยยิ่งหนาวตายเลยแถเนี้แค่มันมีสมาธิมันก็อุ่นขึ้นมาขอบคุณครับหนูไม่ได้ส่งกันบ้านท่างพระอาจารย์นานแล้วมันทรมานมากเลยค่ะตั้งแต่พฤษ พฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยอืหนูร้องไห้ตลอดเลยอืเพราะในโลกความเป็นจริงมันการจะไปเอาคืนกลับกับคนอื่นเนี่ยมันง่ายแต่หนูกลัวความลําบากแล้วก็ผลที่จะตามมาก็ดีแล้วนี่แล้วแล้มันก็ทําให้หนูเนี่ยนั่งๆ่งอยู่เนี่ยก็ร้องไห้ได้เลยหนูดูใจที่มันไม่เป็นกลางบ่อยๆนะเราห้ามมันไม่ได้ มันอยากร้องแะแเราจะไปเกลียดมันไม่อยากให้มันร้องก็ไม่ได้ให้คอยรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางเรื่อยๆถ้าเราใจเป็นกลางนะอะไรก็ได้แล้วต่อไปนี้แล้วหนูก็กลัวกลัวตัวเองมากค่ะตอนที่เราอย่าไปฆาตรกรรมใครเขาแล้ว ก, กันใช่ค่ะ <laughs> หนูกลัวมากเพราะว่าหนูโมโหไายรวดเร็วรุนแรงเออ แล้วเวลาหนูโมโหเนี่ยหนูจะเห็นภาพตัวเองเลยปืนมีดดาบสมุสไรนิจาหนูได้หมดมถ้าเพียงแต่หนูไม่กลัวออกสิ่งที่หนูก็ทำลงไปอ่ะ<ก>หนู<ด>คงจะทาแล้ ว, ลวหนูถึงมีหีรอตป่าไงเราละอายใจที่จะทำชั่วเราเกรงกลัวผลของการทำชั่วก็ดีแล้วอย่าไปทำนะแต่ไม่ได้เก็บกฎให้รู้ทันใจที่อยากจะทำ แต่มือไม่ทำปากไม่ทำเท้าด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าละหลวมมือมันก็เก็บนึเหยียบอย่างเดียวมันมันก็เลยแบบร้องไห้อย่างเดียวเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะออกได้มันมันดูไม่เป็นน้าดูเป็นแล้วมันไม่เก็บกดอย่างนี้มันเก็บกดมันขมไว้มันก็เลยต้องไปร้องไห้อ ให้หนูรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ถ้าใจหนูเป็นกลางนะมันไม่เก็บกดมันไม่ต้องไปออกด้วยการร้องไห้คือดูออกไหมใจไม่เป็นกลางไมเป็นค่ะนะเพราะมันจะมีกาแพงกั้นไว้ตลอดนั่นแหละกาแพงนั่นแหละต้องรู้ทิง้งแต่เอาศีลมากั้นแทนต้องปล่อยกาแพงในใจต้องปล่อยให้ออก พอมาตรการหลวงพ่อค่ะพ้างายไม่ชีปฏิบัติอยู่อ่ะแล้วมันมีจิตที่เห็นอยู่ข้างล่างเนี้ยเออมันคืออะไรคะอ๋อสังขารมันทํางานใจเราเป็นคนดูนะมันทํางานอยู่ข้างล่างนี้แหละตั้งแล่ถูกแล้วภาวนาดีดูไปเรื่อยนะจะเห็นเลยเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงร้ายเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกข์น้ำขึ้นมาจากตรงหน้าอกนี่แหละ พาอแบบว่าเคยปฏิบัติแบบพ่อหนอยุคหนอมาแล้วติดแล้วก็มาฟังซีดีของหลวงพ่อนี่แล้วก็เลยถอนออกหมดนั่นแหละแล้วก็เห็นขันมันทำงานแล้วแล้วก็มาหายใจแบบหายใจเข้าออกเนีนะอย่างนั้นแหละทาไปแล้วทำแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะนั่นแหละดีเห็นไหมว่ามันเกิดดับตลอดเวลาเห็นไหมมันไหวตัวนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆดีไหมชีดีตลอดใช่ไหมคะฮะ ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละทำอย่างนี้เรื่อยๆแต่อายุมากแล้วนะคะไม่เสียแรงแล้วถ้าทำได้ขนาดนี้นะได้บุญเหลือหลาย8ปสิเอ็แล้วจะทำได้แค่ไหนคะได้เยอะแล้วนี่ทำอีกนะทำได้ดีชะละเห็นขันมันแยกแล้วนะเห็นสังขารมันปรุงจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูดีการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมืไง ผ่านไปหเดือนเพิ่งจะได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อตันนี้มันมีสภาวะที่ต้องกราบเรียนถามเรียนให้หลวงพ่อได้ทราบด้วยก็คือขณะนี้เนี่ยสติว่องไวมากแล้วก็เห็นกิเลสเนี่ยวับๆผ่านมาแล้วก็สติเกิดบางทีปัญญาเกิดเลยไปเลย hmm. เกิดเลยไปเลยก็ก็ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความาัดแย้งอะไรนะคะ ไปติดนานในกิเลสนคะคะตอนนี้มันมาพบทุกตัวใหม่เจ้าค่ะไอ้ทุกตัวเนี้ยเนี่ยมันทาไมอยู่ในรูปนามขันห้าเนี่ยโอ้มาเห็นทุกตัวนี้แล้วรู้สึก <laughs> มันติดอยู่ที่ตัวนี่แล้วจะทำยังไงจิตถามมานี่ไม่ใช่เป็นรู้เป็นคิดเจ้าค่ะใช่จิตก็ถามว่าอ้าวโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยตายแล้วขยับขยื่นขึ้นไปทั้งกายทั้งจิตเอ๊ะ ก็ดูสิสามโล ก, กธาตุเนี่ยไม่มีที่ให้อย่างเท้าแล้วมีความสุขนะเพราะอะไรสามโลกมันจะดีแค่ไหนก็ตามไอ้ตัวนี้มันไม่ดีอ่ะอไอ้ตัวนี้มันเป็นแต่ตัวทุกข์อ่ะโ อ, โ, อโอ้มันทุกข์ทุกข์อยากไม่รู้จะขยับขยือนหรือว่าจะทั้งรูปทั้งน้ำนี่มันทุกข์ไปหมดเลยขันห่านีน่จะล่างจะนอนก็เห็นแต่ทุกข์ตัวเนี้ยแล้วจนจิตเนี่ยตอนแรกก็ข้าไปคุกต่อมาก็โอ้ก็รู้ว่าอ๋อ นี่ไงมันมันทนไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็บังคับก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลาอย่างทุกข์ไม่พอนะอต้องภาวนาอีกเจ้าค่ะแต่ว่ามันแปลกใจที่ว่าตรงที่ว่าอย่างนี้เจ้าค่ะเออถ้าไม่ภาวนา น, นี่เราจะไม่รู้ทุกตัวนี้เลยไม่รู้ทุกตัวนี้เห็นยากมันเป็นทุกข์ที่แบบยอมย ม, ยมต้องร้องว่าโอ้โหอะ โ, โนี่แหละแล้ว<ช>ตัวนี้พลิกนิดเดียวนะก็จะไปล้อโอ้โหอีกโอ้โสุกอะไรอย่างนี้มันพลิกกันอยู่นิดเดียวแนละ้วแหละแล้ววัดตาจะคว่ำไม่คว่ำก็อยู่กันตรงนี้แหละพอมาถึงตรงนี้โยมโยมโยมก็เลยว่าเอ๊ะต้องมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่ามันมันยังไงปัญหาของโยมยังมีนะจิตโยมไม่เป็นกลางจริงเจ้าค่ะ ไปดูตัวนี้นะะแล้วก็จะดูทุกข์ไปไม่มีอย่างอื่นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเ จ, จะเห็นอยู่แบเนี้ใสาใจที่สุดรบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงถูกใจมากเห็นไหมพูดแต่เรื่องทุกข์ถูกใจอย่างนี้ถ้าถึงนี้เรียกว่าภาวนาเป็นถ้าทําจิตนิ่งๆว่างๆภาวานาไม่เป็นออก เออหมดแล้วเชิญกลับบ้าน